มัสการมหาเถระครับเจริญพรทุกท่านวันนี้เช้าเช้าพวกเราอุตส่าห์ตื่นมาฟังธรรมขออนุโมทนาด้วยแต่หน้านี้ก็ยังตื่นง่ายนะหน้าหนาวจะอนุโมทนามากกว่านี้มันต้องต่อสู้กับความขี้เกียจเวลานี้เป็นเวลา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 เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเป็นเรื่องพื้นๆไปเลยเมื่อก่อนหายากนะสาสิปี4ี่ิปีก่อนนะส่วนใหญ่เราปฏิบัติธรรมเราก็จะทำสมาธิจิตนิ่งๆทีก็นั่งกันเคลิบเคลิ้ ม, มขาดสติไปหลังๆภาวนากันเข้าท่าขึ้นไม่ขาดสติ ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อมานะว่าสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อขาดสตินะก็ขาดหมดแล้วศีลสมาธิปัญญาไม่มีอะไรเหลือหรอกมีสติก็มีโอกาสจะเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นได้การเรื่องสติเป็นเรื่องใหญ่เป็นธรรมมีอุปการะมากแล้วพวกเราต้องพยายามพัฒนาสติขึ้นมาเป็นเครื่องมือพื้นฐาน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 งันเวลานี้เป็นเวลามาฟังฟังแล้วต้องเอาไปทําฟังเล่นเล่นไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียแรงที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าจะตรัสรู้ได้นะั้นยากลําบากมากพวกเราสบายท่านตรัสรู้ท่านค้นคว้ามาท่านเอามาสอนเราก็แค่เดินตามแต่ต้องดูอะไรที่ท่านห้ามเราก็อยา่าทําอะไรที่ท่านให้ทําเราก็ขยันทําหน่อยค่อยๆฝึกไป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 ออกมาเผยแพร่ออกมาบอกขอรับชันก็ได้นะให้มีผลงานอนะไรนี่้าทำอย่างนั้นบ้านเมืองก็าหายนะสุดท้ายไม่มีใครมีความสุขอยู่ได้สักคนหนึ่งพวกเราต้องมีศีลตั้งใจศีลห้าข้อก็พอแล้วนะสำหรับการปฏิบัติพระโสดาพระสกทาคาอะไรนี่แค่ศีลห้าก็ทำได้ถ้นะ่อยากได้พระนักคาได้สกทาคาแล้วเนะี่ย ควรจะถือศีลแปดถ้าไม่ถือศีลแปดเนี่ยโอกาสทำให้ได้ผ้านาคาทำยากเพราะว่าถ้าเรายังหมกมุ่นเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอยู่หนงในการมาคุณอารมณ์อยู่ใจมันก็เหมือนต้นไม้สดๆแช่น้ำเอามาจุดไฟไม่ติดแล้วลใจที่ห่างจากกามเหมือนไม้แห้ง อย่างเป็นพละอย่าพระพระิบๆอาจารย์เหมือนต้นไม้อยู่บนบกทีแรกก็เป็นต้นไม้สดๆนะอยู่ไปอยู่ไปค่อยเป็นต้นไม้แห้งนะติดไฟง่ายเล้่เราตั้งโอ๊ตั้งใจถือศีลไห้ศีลห้าข้อนั่นแหละทุกคนรู้จักอยู่แล้วนะว่าเป็นยังไงไม่ต้องให้บอกไม่ต้องมาอารัธนาอะไรเสียเวลาให้ตั้งใจเอาเอง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 นี่เราเอาให้ได้ห้ารอบเลยคิดถึงร พ, พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วตั้งใจว่าเราจะรักษาศีล5บอกตัวเองทุกวันทุกวันัวนละหลายๆรอบเวลาใจมันอยากทำผิดศีลมันจะได้ละอายกระจตัวเองบ้างการถือศีลเบื้อต้นก็ตั้งใจรักษาไว้ก่อนมีเจตนางวดเวเบ้นการทำบาปอาคุลทางกายทางวาจาต่อไปเราพัฒนาสติขึ้นมาเองเครื่องมือศีลของเราจะบริบูรณ์ขึ้น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 การที่เราคอยรู้สึกบ่อยๆต่าไปสติจะเกิดเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาพอร่างกายขยับปุ๊บสติเกิดเลยนะการที่ชั้สติเกิดมันเหมือนเราเปิดสวิตช์ขึ้นภายในเราจะตื่นขึ้นมาใชจจะตื่นตัวขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงได้นี่เราพยายามฝึกอย่างนี้นี่ถ้าเราหัดฝึกสติเนี่ยบางคนไม่ชอบดูรูปธรรมเราก็ดูนมามธรรมอย่างคนขี้โมโห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 โอกาสทําผิดศีลมันมีมากเพราะว่ามันเผลอนะดยะนภาพศีลข้อสี่เนี่ยเดี๋ยวก็ควักมือถือมากดหลา ย, น, น, ลาย น, น้นไล น, น์นี้เฟซน้นเฟซนี้นะถ้าเล่นโดยไม่จําเป็นน้องเล่นนก็คือคุยนั่นเองเรียกว่าฟุกซันนะเพอร์เจอร์นะเพอร์เจอร์ cher, แต่ไม่ออกเสียงเท่านั้นเองเพอร์เจอร์ด้วยมือด้วยนิ้วจิตเปนเพอร์เจอร์มัน cher, ไ, มไม่มีสมาธิไม่มีอะไรอยู่กันเนื้อกับตัวหรอกเนี้ยถ้าเรามีสติเรารู้ทันนะ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 ในการพูดที่เหมาะสมถ้าไม่สมควรพูดสติเกิดแล้วมันก็ไม่พูดแม่ศีลมันก็เกิดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดไม่พูดความเท็จต่างๆงั้นเราหัดสังเกตใจของเราบ่อยๆไม่ใช่เรื่องยากอะไรทุกคนรู้จักอยู่แล้วความโกรธเป็นยังไงก็รู้ความโลภเป็นยังไงก็รู้ความหลงเป็นยังไงก็รู้ความเศร้าหมองความหดหู่ความดีใจเสียใจ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 สมาธิอย่างแรกสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์มเดียวจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะเนที่หลวงพ่อหัดตอนเด็กๆท่านพ่อหลีวระอาศุรามสอนให้ธรรมานาปุสติหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรนับ2อตอนเด็กๆหัดอย่างนี้หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรล้วก็นับไปเรืเ่อยๆแต่มาพอจิตมาเริ่มสงบนะจิตมันไม่หนีไปที่อื่นไอ้ตัวการนับมันก็หายไป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 ครูบาอาจารย์อื่นนะหลวงประดูลมียานทัศนะที่แปลกคือท่านจะรู้ว่าเราแต่ละคนเนี่ยเคยทํากรรมฐานอะไรมากรรมฐานอะไรเหมาะกับเราถ้าท่านรู้นะอย่างเราไปหาท่านไปกราบท่านหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติท่านยังไม่สอนหรอกถ้านั่งหลับตาของท่านเงียบๆไปนะเราพาไปหาครั้งแรกยังไม่รู้จักท่านนะไปบอกท่านว่าอยากภาวนานท่านก็นั่งหลับตาไปเลยเราก็นึกในใจนะว่าหลวงปู่หลับมา เกือบชั่วโมงแล้วสงสัยหลวงปู่เพิ่งชันข้าวหลวงปู่อายุทั้งเก้าสิบกว่าเหนื่อยมากแล้วหลับไปแล้วเรานั่งรอเมื่อไหร่หลวงปู่จะตื่นมาสอนเราสัทีเอาจริงท่านไม่ได้นั่งหลับหรอกท่านนั่งสอบประวัติเราว่าเราควรจะทํากรรมฐานในพระท่านลืมตาท่านก็สอนเลยเนี่แต่ละคนท่านจะสอนในนั้นแล้วกรรมฐานที่ท่านสอนจะเหมาะกับคนคนนั้นแบบเป๊ะเลยถ้าไปทําอย่างอื่นนะไม่ได้ผลเลย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 หน้าตาพวกเราเข้าวช า, ญญานยากดูฟุ้งซ่านคนรุ่นเราเนี้ยสมัยก่อนเท่าเรียนกันนานนานครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะสอนกรรมฐานนะทำกันเป็นปีปีเลยแต่ละแต่ละบทเรียนนะทำกันเป็นปีปีพุโทโธก็พุโทโธก็เป็นปีปีเลยไม่มีใจร้อนแบบพวกเรารุ่นพวกเราใจร้อนอยากได้ผลเร็วๆอย่างเงี้ยไม่สงบหรอก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 อนนี้เป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าเจ้าชายสิท ธ, ธนะัตถะเนี่ยตอนเทศท่านเด็กๆไม่กี่ขวบนะประมาณเจขวบอะไรเงี้ยไปนั่งใต้ต้นว่าใต้ต้นไม้แล้วท่านก็หายใจด้วยความรู้สึกตัวใาใจออกรู้สึกหาจะเข้ารู้สึกในสวดจิต ท, ท่านตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้ น, นมาตอนที่ท่านออกบวชไปอยู่กะลฤอศรีท่านก็เข้าฌานเข้าได้ถึงฌานแปดตอนเด็กๆนะนั่งสมาธิเองนะเข้าฌานหนึ่ง ไปอยู่กับฤาษีข้าวชานแปแล้วท่านบอกว่ามันไม่ใช่ทางที่มันไม่ใช่ทางเพราะว่ามันเป็นสมาธิคนละแบบตานเด็กๆที่ท่านทําเป็นสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตอนที่ไปเรียนฤาษีเป็นสมาธิชนิดสงบจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์มันเดียวงั้นมันไม่เหมือนกันท่านฝึกกับสมาธิฤาษีแล้วท่านเพราะว่าไม่ใช่ทางท่านก็ออกมาหาเส้นทางของท่านเองไปทรมานร่างกายอยู่นานหลายปีนะ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 เห็นการทํางานของจิตในส่วนท่านก็บรรลุเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารูนะ้สัมมาสัมโพุทธญาณงั้นท่านทําสมาธิที่ถูกชนิดนะถ้าทําผิดชนิดท่านบอกว่าไม่ใช่ทางแล้วพวกเราต้องมารู้จักสมาธิอย่างที่สองนี่ให้ดีสมาธิอย่างที่สองนี่มีชื่อเฉพาะว่าลักขณูพนิชฌานอันแรก จิตสงบในอารมณ์อันเดียวเรียกอารามาโนปนิชฌานอารามะก็คืออารมณ์นั่นแหละอันที่สองรักหนูปนิชฌานจิตตั้งมั่นแล้วเห็นความเป็นไตรลักษ์ของรูปธรรมนามธรรมาได้จิตจะไปเห็นนะไม่ใช่ไปคิดไม่ใช่คิดถึงรูปธรรมนามธรรมาว่าเป็นไตรลักษ์ร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอันนั้นยังไม่ใช่วิปัสนาเอาวิปัสนาเนี่ยจิตไปเห็นร่างกายเนี่ยเป็นไตรลักษ์ไปเห็นจิตใจเป็นไตรลักษ์ไปเห็น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 หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อหายใจธรรมานาปนสตินะจนกทั้งลมมันค่อยระ ง, งับลงไปละเอียดมันกลายเป็นแสงสว่างอยู่ตรงเนี้ยสว่างพอแสงสว่างแล้วเนี่ยไม่วิ่งตามแสงไปนะแต่ว่าคอยรู้ทันจิตไหมหลวงพ่อใช้แสงสว่างนั้นเป็นอารมณ์กรรมฐานนะเพราะว่าลมพอละเอียดเข้าไปแล้วจะกลายเป็นแสงนะพอเป็นแสงขึ้นมาแล้วเนี่ยเรารู้ทันจิต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 บคคส่วนใหญ่ที่บราารลุพระอรหันต์เนี่ยไปด้วยสมาธิชนิดนี้นะในสมัยพุทธกาลพระอรหันต์ห้าร้อยองค์พุทธเจ้าท่านบอกเลยเป็นพระอาหารหันต์ได้วิชาสามหกองค์ได้พิญิจห60องค์ได้อรูปฌานอีก60องค์รวมแล้วพระอาหารหันต์ที่ท่านเล่นฤทธิ์เล่นฌานเนี่ยนะมี180จาก500หรือ36เปอร์เเองส่วนใหญ่ก็คือคนอย่างพวกเรานี่เองนะแต่ว่าท่านคอยรู้ทัน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 โดที่ไม่ได้บังคับนะอาศัยที่ไหลก็รู้ไหลก็รู้ในะที่สุดมันไม่ไหลโดยที่ไม่ได้จงใจถ้าจงใจห้ามไหลเนะี่ยใจจะแน่นๆถ้าใจแน่นๆเนี่ยใจเป็นอกุศลใจที่แน่นๆหนักหนักนี่เป็นอกุศล น, นะเพราะฉั้นถ้าแน่นแค่เมื่อไหร่หยุดก่อนทําผิดละใจที่เป็นกุศลจริงๆมันเบานุ่มนวลอ่อนโยนสบายว่องไวแล้วค่อยๆหัดสังเกตไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วใจหนีไปรู้ทันใจหนีไปคิดนี่แหละรู้ทัน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 จิมจะหลงไปนิ่งๆอยู่เฉยๆเฉนั้นจิตมันต้องถอนตัวมาเป็นคนดูให้ได้พอจิตถอนตัวมาเป็นคนดูมันจะเห็นว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นโคละนกันความรู้สึกสุขทุกข์กับร่างกายก็โคละนความรู้สึกสุขทุกข์กับจิตก็โครละนความดีความชั่วรอบกลดหลงกับจิตก็โคละนกันนี่จะค่อยๆแยกออกไปหลวงตามหาบัวนะท่านฟันธงเลยนะว่า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 ดูตัวเองยิ้มดูคนอ่นยิ้มเดี๋วกิเลสเกิดตอนนี้ร่างกายหายใจอยู่รู้สึกไหมเห็นร่างกายหายใจเหมือนที่เห็นร่างกายยิ้มตะเกียร์ลองทำซิเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าไม่ได้มุ่งไปให้สงบนะแต่มุ่งให้เห็นว่าร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเอ้าลองทาดูระวังหน้ากลายเป็นเพ่งกันเกือบหมดห้องแล้ว ถ้าเพ่งนะมันจะเป็นแบบนี้ทําหน้าให้ดูนะเนี่ยบอกให้ดูร่างกายหายใจนะก็เริ่มเงี้ยพอเลิกดูร่างกายก็เอกาอยัางอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้มันกลเป็นมิจฉาสมาธินะโมหะแทรกนะรู้สึกไปด้วยใจที่โปร่งใจที่สบายใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดานะอย่างตอนที่หลวงพ่อให้ยิ้มรู้สึกไหมใจมันผ่อนคลาย เพรืองั้นเราก็เห็นร่างกายหายใจไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายแบบนั้นแหละแล้วก็เนี่ยร่างกายมันพยายามหน้าเราก็เห็นมันด้วยใจที่ผ่อนคลายถ้าใจไม่ผ่อนคลายใจไม่มีสมาธินะใจเครงเครียดเงั้นต้องไปฝึกนะต่อไปนี้เนี่ยทํากรรมฐานนี่นแหละเห็นร่างกายหายใจอย่าไปจ้องใส่ลมหายใจอย่าจ้องที่ลมหายใจนะ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 อันนั้นจะมุ่งไปทางชานแต่ถ้าเรามุ่งที่จะเจริญปัญญาจะหัดแยกขันเนี่ยทำอีกแบบหนึง่งเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูไม่ใช่เห็นลมหายใจนะเอามาเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยิ้มก่อนก่อนจะหายใจต้องยิ้มจําไว้นะยิ้มเพื่ออะไรให้ใจมันผ่อนคลายใจมันสบายแล้วก็เห็นร่างกายหายใจไปนะอย่าให้ใจมันบีบเข้าไปอยู่กับลมนะเา้าลองดู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 ค่อยๆฝึกไปเรื่อยนะจะเห็นว่า ก, กายกับใจเนี่ยคนละอันกันอันนี้เป็นจุดตั้งต้นนะยังไม่ขึ้นวิปั ส, สนาขึ้นวิปั ส, สนาเนี่ยตรงใจมันรู้สึกเลยว่าตัวที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยเป็นไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเป็นแค่มันเป็นความรู้สึกของใจไม่ใช่การคิดด้วยนะถ้ายัางคิดอยู่ยังไม่ใช่นี่บางคนเวลาเราสึกตัวขึ้นมาแล้วมันรู้สึกอยู่เฉยๆรู้สึกอยู่เฉยๆเนี่ยครูบาอาจารย์จะบอกให้คิดพิจารณา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 ก็เออร่างกายไม่ใช่เรานะเรายืมโลกมาใช้นะมาจากอาหารมาจากอะไรเนี้ยต่อไปก็ต้องคืนโลกไปอะไรนะั่นค่อยๆสอนจิตไปเป็นอุบายให้จิตหัดมองร่างกายเป็นไตรลักษณ์ในที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะสอนกันเนยอะว่าพุโทโธแล้วมาพิจารณาร่างกายมีการกระตุ้นให้จิตหัดดูไตรลักษณ์นี่พอจิตมันหัดดูไตรลักษณ์จนมันชํานาญนะมันมีสัญญาสัญญารู้จักเข้าไปหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์แล้วเนะ ไม่ต้องไปคิดละต่อไปนี้ให้คอยรู้เอามันจะมีความรู้สึกขึ้นในใจอย่างเวลาเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเลยว่านี่มันเป็นแค่ก้อนธาตุก้อนหนึ่งเป็นแค่วัตถุเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแค่วัตถุอันหนึง่งนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกเนี่คยค่อยๆดูลงไปถ้าวันใดใจยอมรับความจริงนะว่าร่างกายไม่ใช่เราแล้วจิตที่เป็นคนดูร่างกายนะเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่ง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 งั้นถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูจิตก็ดูจิตไปะค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปสบายๆอย่างคนไหนขี้โกรธก็เห็นนะมันโกรธแล้วเอามันหายแล้วเนี่ยความโกรธมีอยู่แล้วก็ความโกรธก็ดับไปเนี่ยเห็นต่อหน้าต่อตาเลยมันพุ่งขึ้นมาความโกรธพุ่งขึ้นมารู้ทันมันหายไปนะมีแต่เกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอย่างนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังเอ๊ะมันโกรธได้เองฮะตั้งใจจะไม่โกรธเลยตั้งใจจะไม่โกรธอยู่ๆความโกรธก็พุ่งขึ้นมานี เดีย๋ยนี้มันเป็นอนัตตานอนัตตาคือมันสั่งไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจตั้งใจจะไม่รักอยู่ๆก็รักขึ้นมาเนี่ยตั้งใจว่าจะไม่โลภไปเดินชอปปิ้งเฉยๆจะไปดูนะตามศูนย์การค้าจะไปดูเฉยๆวันนี้จะไม่ซื้อเผลอแป๊บเดียวนะยิ้ของกลับมาเต็มเลยนะ น, นี่ขาดสติแล้วเนี่ยคอยรู้ทันนะครรู้ทันจิตใจของเราเองให้เห็นเลยโลภ ก, ก็ไม่ใช่เรา โกรธก็ไม่ใช่เราหลงก็ไม่ใช่เราดีก็ไม่ใช่เราชั่วก็ไม่ใช่เราสุขก็ไม่ใช่เราทุกก็ไม่ใช่เราดูไปเรื่อยๆดูไปบันไดที่เราสามารถเห็นได้นะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีถ้าบุญบารมีเราพอนะสีสัมาทิปัญญาเราพอเนี่ยอริยมรรคขั้นต้นจะเกิดขึ้นจิตจะรวมเข้าปนาสมาธินะในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะต้องเข้าฌานต้องเข้าฌานนะไม่อยู่ข้างนอกอย่างนี้แต่พราะเราอย่าตกใจว่าเพราะเราไม่ได้ฝึกเข้าฌาน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 ท่านรีบคิดเลยว่าเมื่อกี้เทศถึงไหนแล้วแล้วก็เทศต่อบอกว่าคนฟังเนี่ยไม่สะดุดเลยมันเหมือนกับท่านเว้นวรกธรรมดาเนี่ยเองมันช่วงเวลาที่จิตจะล้างกิเลสเนี่ยใช้เวลาสั้นนิดเดียวพริบตาเดียวเท่านั้นเองน้ําไม่นานงั้นถึงเราเข้าสมาธิยาวๆไม่เป็นไม่ต้องตกใจแล้วตอนนั้นจิตมันเข้าของมันเองแล้วเข้าแว บ, บเดียวเท่านนะั้นล้างกิเลสนะ่ยล้างในแว บ, บเดียวไม่ล้างยาวเป็นวันๆหรอกนะาล้างกิเลสยาวเป็นวันๆนะ่ะของเก๊แล้ว เร ล, ล้างจริงๆล้าชั่วขณะจิตเท่านั้นเองเพราะฉะั้นไม่ต้องเสียใจว่าเข้าฌานไม่เป็นจเจริญไปเถอะศีล ส, สมาธิปัญญานะมีสติอบรมจิตใจไปได้รักษาจิตใจไปเรื่อยแล้วก็จเจริญปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์เห็นธาตุเห็นขันธ์แสดงใจรักไปถึงจุดหนึ่งอริยมรรคจะเกิดเองนะเราได้ขั้นต้นแล้วต่อไปก็ภาวนาอย่างเดิมแหละแต่ว่าปัญญามันจะแก่กล้าขึ้นหลวงปู่สุวั์เคยสอนหลวงพ่อนะหลวงปู่สุวัตสุวัจโจ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 แต่ภานาไปเรื่อยๆมันจะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็จริงนั่นไมเป็นตัวอะไรมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเห็นกายเป็นตัวทุกข์จิตก็คืนกายให้โรคจิตจะไม่หวั่นไหวกับกายละถ้าเห็นจิตเป็นตัวทุกข์จิตจะคืนจิตให้โรคจิตจะเข้าถึงความเป็นธรรมาธาตุเป็นาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ไม่ใช่จิตผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยพวกเราฝึกก็มีแล้วละแต่ว่าพวกเรายังเข้าไม่ถึงสิ่งที่เรียกว่ า, าธาตุรู้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 อจิตสลัดคืนตัวทุกข์ไปกับโลกแล้วจิตเที่ยเข้าสัมผัสาันิพันธ์นั้นก็เต็มภูมิของตัวเองจิตจะไม่มีอะไรเข้ามาปรุงแต่งได้อีกต่อไปมีความสุขอยู่ตลอดชีวิตที่เหลืออยู่นี่แหละงั้นฝึกนะนไหนๆเราก็เป็นชาวพุทธทั้งทีแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมก็ลงมือฝึกสรุปแล้วก็คือตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ก่อนแล้วฝึกสติให้ดีคอยรู้ทันกิเลสอะไรเกิดคอยรู้ทัน แล้วศีลของเราก็จะสะอาดหมดจดขึ้นเรื<โ>่อยๆแล้วเวลาความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นคอยรู้ทันสมาธิก็ <Sara> จะเกิดขึ้นเพราะสมาธิมันตรงข้ามกับฟุ้งซ่านเพราะฟุ้งซ่านมันเป็นกิเลสเรามีสติรู้ทันมันไม่ฟุ้งซ่านสมาธิมันก็เกิดจิตใจอยู่กันเน้อกับตัวแล้วอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆให้ดูกายดูใจมันทํางานให้เห็นว่ากายก็อันนึงใจก็อันนึ่งจิตใจเราเป็นคนดูถ้าดูแล้วมันก็ดูกายอยู่เฉยๆ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 อย่าให้เสียชาติเกิดทังทีเลยอุตส่าห์นั่งรถไฟฟ้ามาฝังเทศนะใครนั่งรถไฟฟ้ามาบ้างมีไห ม, มหรือว่าเดินมามีบ้างในนี้คงเดินมายากนะมันใหญ่เอาละพอสมควรแค่เวลาน้อว่าม า, า, มากรับลนวัชการหลวงพ่อกักันบ้านคะ่ะน้าว่าม า, า, มาก็ออมีอยู่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 ถ้าใจไม่ชอบดูที่ไม่ชอบนี่ไม่ต้องดูที่อยากแล้วอยากเป็นอนดีตปัจจุบันคือไม่ชอบมันเกิดขึ้นทีหลังเกิดขึ้นใหม่ใจแต่ที่ใจเราเังนันถ้าเราเห็นความอยากเกิดขึ้นใจไม่ชอบรู้ไม่ชอบใจเป็นกลางพปุ๊บความอยา่ขาดสะบั้นเลยไม่อยู่นานหรอกอ่าแล้วก็ช่วงนี้มีโทรศัพทมากคนะ่ะดีดแต่เดิมมันก็คงมีนะแต่ไม่เห็นนะเรามาหัดภาวนาแล้วมันเห็นมีโทรศัพ มีโทสะบ่อยๆใช่ไหมดีมีโทสะแล้วรู้ว่ามีโทสะดีนะพระพุ่ธเจ้าบอกไม่ใช่หลวงพ่อบอกหรอกท่านบอกว่าถ้าจิตเป็นกุศล ร, รู้ว่าเป็นกุศลดีเลิดเลยจิตเป็นกุศลแล้วไม่รู้ว่าดีอยู่นะใช้ไม่ได้จิตไม่ดีจิตเป็นอกุศล ร, รู้ว่าเป็นอกุศรรรกลดีถ้อาอกุศลแล้วก็ยังไม่รู้าอากุศลเนี้ยเลยวเลเลยใช้ไม่ได้ดัง <š> น<ต>้นูรู้กิเลสนใช้ได้แล้วล่ะเจ้า<ต>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 เดีค่อยๆนะถ้าโกรธมากๆลองปรับมุมมองหน่อยเรามองเขาเราจะจับเขาว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ไม่ดีลองมองจากตัวของเขาถ้าเราเป็นอย่างเขาเนี่ยบางทีชิดเหมือนกันเปียกเลยนะทําเหมือนกันเปียกเลยพรได้อย่างนี้นะหายโกรธเลยหควงพ่ อ, อมีอะไรจะแนะนำในการถอนปกติจินเหมือนตอนนี้ไหมก็ปกติช่วงนี้จะโกรธนะคะ กเอาไว้โกรอ่ะโกไม่เป็นไรตอนนี้นจิตมันบังคับอยู่รู้สึกไหมได้บังคับอยู่ไม่เอานะถ้าถ้ารู้ว่าปกติไม่ได้บังคับก็ใช้ได้กลับไปบคุค่ะคขอคุคุดการกราบหลวงพ่อทุกคนดีใจมากที่วันนี้ได้ไมากราบหพ่ออีกครั้งที่สองคือแ่วันนี้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 <Okay. S 2> มันจะรู้เลยมันทํางานได้เองแล้วทุกอย่างในกายนี้ไม่เที่ยงทุกอย่างในใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้เต็มไปด้วยทุกข์ใจมีแต่ของไม่เที่ยงร่างกายไม่ใช่ตัวเราใจก็บังคับไม่ได้ให้ดูอย่างนี้ซ้ําๆไปขันเริ่มแยกแล้วละ่ะใช้ได้แล้วละ่ะแล้วต้องต้องต่ออย่างไรเจ้าคะ่ะจะไปได้ดูดเนืองเนืองอดูบ่อยๆดูบ่อยๆเจ้าค่ะตอนนี้ใจลอยแล้วรู้สึกไหมรู้สึกเจ้าค่ะเออเนี่ใจมันหนีไปคิดแล้วดูทันะ มักตื่นเต้นดีใจอ่ะไม่ทราบว่าจะถามอะไรหลวงพ่อดีดีมากจ้ะรู้สึกดีใจมากมากเลยเกื่ดีใจรู้ว่าดีใจใช้ได้แล้วแล้วก็ต้องไปพนาแบบแบบแยกให้ถูกเหรอเจ้าค่ะมันแยกอยู่แล้วล่ะไม่ต้องแยกอะไรมากนัรพออย่างเช่นมีอยู่วันหนึ่งนั่งนั่งเนี่ยเจ้าค่ะแล้วเห็นหน้าตัวเองเนี่ยเหี่ยวแก่ย่นหมดเลยตกใจค่ะ จะทํำยังไงตกใจให้รู้ว่าตกใจอ๋อค่ะแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วยังปุ้งบ่อยๆหรือว่ามีโทสะอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมโทสะเกิดได้เองอืมจ่ะดูมันทํางานเดิค่ะไม่ได้ไปว่าห้ามมีโทสะนะพระเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าห้ามมีโทสะบอกว่าพิสูจนทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะงั้นโทสะเกิดขึ้นก็รู้ว่าเกิดได้เองมาเองไปเองอย่างนี้ มรสการหลวงพ่อค่ะก็เออจิตเศร้าหมองจิตมีโทรศัพ์จิตเศร้าหมองสังเกตไหมความเศร้าหมองกับจิตนะควรละนกันความเศร้าหมองเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้าค่ะสังเกตไหมจิตไม่เคยเศร้าหมองจิตที่จริงเป็นตัวรู้เท่านั้นเองไอ้ที่เศร้าหมองอไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามามันเหมือน ว่าเราอยู่ริมน้ําแล้วขยะมันลอยมาติดเท่านี้เดี๋ยวมันก็ไปความเศร้าหมองก็ไม่คงที่นะเดี๋ยวมันก็ไปแต่ถ้าอยากให้มันไปเร็วๆจะทุกข์นะะจะเห็นว่ามันเศร้าหมองแล้วก็ไปโกรธมันอีกเออดี๋ยวไปโกรธมันก็ช่วงเดือนที่ผ่านมามันมีเรื่องหนักๆเข้ามาในชีวิตก็รู้สึกว่าเห็นภัยของวัฏตะมากขึ้นทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เดินช่วงที่เดินจงกรม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 มันทนอยู่ไม่ได้หรอกดูมันก็ไปตรงๆเดี๋ยวมันก็กระเด็นออกไปเองค่ะเหมือนจิตมันไม่มีกำลังใช่จิตไม่มีกำลังค่ะจิตไม่มีกำลังก็พุโทโธไว้ะคะใายๆสู้เขาไม่ได้ก็เรียกพ่อเราช่วยอโอพุโทโธคแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เห็นความคิดของเราดับแล้วแล้วณตอนนั้นน่มันกลัวค่ะว่ามันหายไปหมดเลยกลัวให้รวกลัวค่ะ มันหายไม่หมดใช่ไหมมันเหลือกลัวอดูไปอีกใช้ได้อยู่นะที่ผูกอยู่ทำนะจะได้ไม่ทุกข์มากโลกนี้ทุกข์หรอกคนเผามันก็ว่าโลกโลกนี้สุขนะผู้มีปัญญาเห็นความจริงของโลกนี้ทุกข์มากเต็ไมไปด้วยทุกข์มีแต่ความทุกข์รัดรากจากสิ่งที่รักบ้างเจอสิ่งที่ไม่รักบ้างเจ็บให้ได้ป่วยบ้างอย่าประมาทนะว่าอายุน้อย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 หนูคราวที่แล้วที่หนูส่งอ่ะคะ่ะคือหลวงพ่อบอกว่าให้หนูไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้จิตที่ไหลไป ห, หนูก็ไปทําอ่ะคะ่ะแล้วช่วงแรกมันดีมากแบบว่ารู้อะไรเห็นอะไรได้หลายอย่างแต่พอมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันเสื่อมลงอ่ะคะ่ะจิตหนูก็เหมือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วพอไปฟังเทศหลวงพ่อที่ฟังจากซีดีหลวงพ่อก็บอกว่าความเสื่มมันจะเหมือนเสื่อมจนทําให้เห็นว่า ใจเรามันหมดความลําพองหนูก็เลยเห็นตัวมานะอัตตาของตัวเองอืตอนนั้นก็เลยพอเห็นเราก็มันก็ดีขึ้นอืแต่มันก็ยังขึ้นขนลงๆแล้วถูก <c oughs> ต้องอย่างนั้นด้วยนะอ๋อค่ะการภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์สอนมามีแต่เจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมนะถ้าเราภาวนาแล้วเจริญลูกเดียวนะกลายเป็นเซลจัตถีแต่เนี่ยภาวนานั้นจะเห็นมันเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ค่ะแต่มันมีวันหนึ่งที่แบบมันขึ้นลงมากคือ วันหนึง่ง เ, เ, เ, เหมือนเกิดโทกสะพอวันต่อมาหนูเหมือนมีสติแบบตอนตื่นเห็นว่ า, าใจแบบว่าตอนตื่น เ, เห็นได้ยินเสียงอะค่ะก่อนแล้วตอนนั้นมันยังไม่ปรุงพอพอเหมือนสัญญามันไปจำได้ ก, ก็เกิดความไม่พอใจตอนนั้นหนูก็ดีใจว่าเอา้ยยังดีว่าเรายังเห็นแต่ว่าพอ พอถัดจากนั้นวันเดียวกันหนูเกิดโทรศัพท์อีกแล้ ว, ลว<ม>เราเผอเผยอีกไปผิดศีลอีกอย่างเงี้ยค่ะ<ม>จิตมันเศร้าหมองมากจนแบบเหมือนหนูเห็นจิตมันกรีดอยู่ข้างในว่าแบบร้องไห้ฟูมไปอยู่ข้างในคือหนูหนูเห็นข้างในนะคะ<ม>คือตัวหนูไม่ได้เป็น<ม>แล้วคือเหมือนมันมันมันไม่พอใจที่<ม>เราบังคับมันไม่ได้เราตอนนั้นก็โอเคดูไปแต่ว่ามันก็ หายไปความรู้สึกนั้นหายไปแต่ว่ามันก็ยังขึ้นๆลงลงอยู่หนูก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูมีอะไรที่ติดหรือว่า ห, หนูจะไปหวังว่าพอนาแล้วมันจะดีสิ <c oughs> พอนาเพื่อให้เห็นความจริงนะว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมาแล้วก็ไปทุกอย่างบังคับไม่ได้เราต้องการให้ใจยอมรับความจริงตรงนี้ถ้าใจยอมรับความจริงได้ใจก็จะหวางได้แต่ถ้าพอนาแล้วเอาดีๆแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะจะติดอย่างนั้นแล้วหนูมีอะไรที่ต้อง แก้ไขปรปับปรุงหรกอเวลาภาวนาเนี่ยบางครั้งสมาธิมันไม่พอะแต่ฟุ้งสั้นมากถ้าแต่มันฟุ้งสั้นจนเหน็ดเหนื่อยนะไหว้พระสวดมนต์ไปพุโทโธพุโทโธไปพุโทโธเล็ดเล็ดไปก็ได้หรือสวดมนต์อะไรสั้นๆสักบทหนึ่งสวดแล้วสวดอีกทําใจให้สบายหรือแผ่เมตตาไปเรื่อยๆให้ใจมันมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งได้พักผ่อนการที่จะเจริญปัญญารวดไปเลยเหนื่อยเกินไป เออแล้วก็หนูจะขอความเมตตาหลวงพ่อคือพ่อหนูมาด้วยอะค่ะเลยอยากช่วยหนูพ่อแนะนําการปฏิบัติแล้วพ่ออยากให้แนะหรือเปล่าหรือเล่าอ๋อคุยแล้วค่ะพ่อก็อยากให้แนะไหนล่ะพ่ออยู่ไหนอยู่ทางนั้นนะคะค่อยนั่งไปจะให้แนะอะไรอ่๋อก็คือเหมือนพ่อเขาปฏิบัติฟังซีดีมาตลูกอยู่อ๋ออยังเห็นหน้าว่ากายกับใจมันคนละอันรู้สึกไหม พ่อไม่รู้ว่าหลวงพ่อคุยด้วยอ๋อพ่อเขาหูได้ยินไม่ค่อยดีะค่ะอ๋อตรงนี้หลวงพ่อบอกให้แล้วไปจําไปบอกพ่อนะคือว่าต่อนาเนี่ยขันมันเริ่มแยกได้อเคค่ะถ้าขันมันแยกได้แล้วก็ดูเปลี่ยนกายก็กายใจก็ใจแล้วก็เห็นมันทํางานของมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับตัวอย่างเนี้ยชั่วคราวไปหมดเลยดูอย่างนี้บ่อยๆคะย่ะต่อบปขอบคุณค่ะ นมาสการค่ะจิตไม่เข้าฐานมาหลายปีค่ะหลวงพ่อแล้วก็ไม่เคยเห็นความอยากว่าอยากให้มันเข้ามันก็ถ้าไม่ไปเป็นแสงไม่ก็เป็นเม็ดเม็ดหรือไม่ก็แพ่งไปเลยค่ะเว้นแต่ว่าเราเรานี้มีกัลยาณมิตรบอกว่าให้เดินเร็วๆเท้ากระทบพื้นวันนั้นมันก็เข้านะคะแล้วทาอีกมันก็ไม่เป็นแล้วค่ะจงใจให้เข้าไม่เข้าหรอกเข้าต้องค่อยๆกลับมาที่ร่างกาย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 ให้มันกลับเข้ามาข้างในเนี้ยเียเข้ามาแล้วรู้สึกไหมนิดนเออนะทำนิดเดียวพออย่าทำบ่อยถ้าทำบ่อยมันจะเข้ามากไปแน่นถ้า ใ, ใ, ใจมันกลับเข้ามาอยู่ในบ้านถ้าใจหนีออกไปนอกบ้านปัญญาไม่เกิดหรอกแล้วของหนูมันจะฟุ้งแรงนะมันฟุ้งแรงนั่นพยายามรู้สึกอย่างน้อยก็อยู่ในกายเนี้ยหรือไม่ก็ดูกระดูก้าไปเลย จงใจพิจารณากระดูกเข้าไปเลยดูกระดูกดูเข้าไปเรื่อยๆที่กระดูกของเรานะไล่ไล่แต่กันตกกระบอกตาเนี้ยดูดูไล่ๆอยู่ในกระดูกเนี้ยถ้าเราไล่อยู่ในกระดูกมากๆนะจิมเนี่ถอยเข้ามาต้องช่วยมันนิดหนึ่งแล้วก็ดีนิดนึอ่เอ่ะนอกจากดูกระดูกแล้วถ้าเกิดนั่งหายใจเดินเท้ากระทบหรือบริกรรม มอย่างนั้นทำาละโทสะแทรกน้นะค nah รับทำาละโทสะมันเข้าดูกระดูกเขา <sk ankle> ここเล่าไปอะไรอย่างนี้างโน้จะดูกระดูกได้ชัดนะกาบนมัสการหลวงพ่อครับก็เมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วครับไปส่งการบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าคือเหมือนพอแยกกายแยกแยกแยกกาแยกใจได้แล้วแต่ว่าเหมือนทื่อๆครับทื่อๆแล้วให้กลับไปพิจารนากายครับซึ่งตอนนี้ผมก็ คือผมทำพิจารณากายในช่วงแรกๆแล้วตอนหลังเนี่ยผมก็เปลี่ยนมาทำอนาปานาสติเหมือนเดิมครับก็คือคิดอ่าก็คือทำทุกวันเลยไม่มีวันไหนที่หยุดเลยนะครับก็คือคือตอนเนี้ยรู้สึกว่ากายกับใจมันแยกค่อนข้างจะชัดในทุ ก, กๆวันนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าช่วงนี้เกิดอ่ามัน ไม่รู้ว่าเป็นเพราะแบ บ, บงานมันเหนื่อยหรืออะไรสักอย่างรู้สึกว่าคือรู้สึกว่ากายกับใจแยกอยู่อะครับแต่ว่าเหมือนใจโดนบีบยังไงเป็นบางครั้งครับบอกไม่ถูกมันแบบไม่ได้อะไรครับไปหน้าไอ<ห><ช>้ของไม่เที่ยงไอ้ของเป็นเองไม่ใช่ตัวเราไหนไหนอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็เดินปัญญามันไปเลยอย่างนี้นคือแสดงใจรักอยู่อ๋ออย่างนี้คือเดินปัญญาหรือยังหรือว่าเราเราเราเดินปัญญาไปเลยไงแต่ที่เราจะนั่งนั่งตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นอไรย่างนี้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 ตัวของเราเองเนี่ยตัณหาเนี่ยมันบีบคั้นจิตอยู่ตลอดเวลา mm hmm. หรือถ้าละเอียดเข้าไปนีความปรุงของจิตก็บีบคั้นจิตมันไหวๆขึ้นมามันก็ทุกข์ทั้งหมดเลยงนะ mm hmm. ั้นที่ฝึกอยู่เนี่ยจิตมันเดินปัญญาอยู่นะครับคือเหมือนว่าก่อนหน้านี้เหมือนจิตดสูสบายก่อนี้ค่ะเงี้ยเงาเนาะสบายก่อนแต่แต่เหมือนแยกกายแยกใจได้แต่ว่าสบ า, สบายสบายคๆนะต้องเห็นทุกข์นั่นแหละเห็นไหมพอมันทํางานเข้ามันมีแต่ทุกข์นะ อย่างถ้าเรารู้ตัวที่หลวงพ่อบอกไงบางคนรู้ตัวเฉยๆนะรู้กายรู้ใจเฉยสบายอยู่ไม่ดูไตรักหรอกแต่ตอนเนี้มันเริ่มแสดงใจรักณให้ดูแล้วจิตมันรําเติจปัญญาจริงๆแล้วนะครับคือช่วงก่อนหน้าเนี่ยครับก่อนที่จะรู้สึกโดนบีบะมีอยู่แบบคือเกิดความลังเลสงสัยในผลรัตนะาไตาขึ้นมาซึ่งคิดว่าแบบตั้งแต่แรกไม่เคยเป็นเลยอะมันต้องมีเลยเพราะว่าปุถุชนจะเป็นนะคนที่พ้นตัวนี้ได้ต้องเป็นพระโสดาบัน แล้วก็เคยนึกได้ว่าเหมือนหลวงพ่อเคยบอกว่าเหมือนมีมารแกล้งอะไรออประมาณเนี้ยก็แบบพยายามนึกตอนก็หายไปแล้วก็มาเกิดอันเนี้ยตอไปนะอะไรเกิดขึ้นนั้นก็สักว่ารู้ว่าเห็นไปแล้วก็รู้ทันใจของเราที่ไม่เป็นกลางครับแล้วผมจะต้องทําอะไรต่อไปอะครับทำได้ดีแล้วละนี่ทานี้ถูกแล้วนะมันอยู่ที่สักไปให้พอเท่านั้นแล้วให้พอเลยครั บ, รบขอบคุณครับอย่าใจร้อนนะครับ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 มันใช้ได้หรือเปล่าครับเรารู้สึกไหมว่าเราเปลี่ยนแปลงรู้สึกว่าเปลี่ยนมากเลยครับในครึ่งปีปีแล้วนะฝึกไปครับก็ไม่เคยส่งกันบ้านมาก่อนนะครับอยากจะให้รบกวนหลวงพ่อช่วยตรวจกันบ้านหน่อยครับ <c oughs> เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือพอฟังซีดีไปด้วยมาเทียบกับตัวเองเนี่ยมันก็รู้สึกว่าเราก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่มันมีแต่ความไม่แน่ใจนะครับว่ามันใช่รจริงหรือ่าไม่แน่ใจรูนะ้ลงปัจจุบันไปเลยไม่แน่ใจรู้ว่าไม่แน่ใจ มันสุกก็รู้ทุกก็รู้เป็นอะไรขึ้นมารู้อย่างนั้นนะแล้วเราก็จะเห็นว่าทุกอย่างชั่วคราวยังไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจชั่วคราวเดี๋ยวก็าหายเห็นงนั้นแล้วเออมันจะมีอย่าง เ, เห็นไม่นใจตอนนี้มันไหลไปครับเออถ้าดูออกแล้วก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมว่ามันเบิก บ, บานขึ้นมาครับเนี่ยพอมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิก บ, บานมันก็เกิด มันเห็นด้วยว่าคำถามที่จะถามมันลืมไปชั้เชียงสัญญาคืออย่างเงี้ยครับคือบางทีมันรู้สึกว่าเออไม่แน่ใจว่าเราเห็นใจรักของมันจริงๆหรือว่าเราเราคิดเอาครับตัวเนี้ยให้รู้ว่าไม่แน่ใจครับรู้ลงปัจจุบันไปเลยไม่ต้องใครคขวนถึงอดีตไอ้ตัวนั้นเป็นภาวะในอดีตไม่รู้หรือไม่รู้เนี้ยปัจจุบันคือรู้ว่ากำลังสงสัยอยู่รู้ลงปัจจุบันไปไม่พลาด ไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนเพ่งไปหรือเปล่าขณะนี้เพง่งรู้สึกไหมก็สงสัยอยู่บ้างครับเแม่สงสัยเลยเพ่งดูตรงนี้ง่ายๆถ้าเมื่อไหรเพ่งนะใจฉันแน่นๆใจจะมีน้ําหนักขึ้นมาถ้าเพ่งนะใจจะแน่นๆถ้าใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบาบางจะเบานุ่มนวลอ่อนโยนไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึนไม่ทื่อ ขอบคุณครับกล่าวณมัสการหลวงพ่อค่ะรู้สึกว่าเช้านี้จิตจะมาฟังทะของพ่อแล้วรู้สึกมีขยันเห็นเกิดดับแต่ว่าการอดนิวกันก็เพ่งอยู่เป็นประจำให้ร้วเพ่งก็ดีแล้วลนะ่ะค่ะเมื่อก่อนเราเพ่งลูกเดียวเนี่ยทีนี้ตอนที่ทำงานนะคะจะ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 ซึ่ง mm hmm. ปกติจะเป็นคนดูจิตนะคะห mm hmm. ลวงพ่อแล้วพอกลับถึงบ้านเนี่ยมันก็จะแบบคล้ายๆหมดแรงแล้วกลางคืนมันนั่งสมาธิก็จะเห็นกิับบ้างบางครั้งอะคะ่ะแล้วถ้าบางครั้งมันเพ่งมากๆจะเลิกนั่งเลยอะคะ mm ่ะ hmm. หลพทีนี้ระหว่างวันนะคะมันก็ฟุงมากในลนักษณะที่ว่าเราเมันทํางานมากจนกระทั่งเราไม่มีแรงแล้วมันก็กดจิตตัวเองเป็นปกติอะคะ่ะก็จะอาศัยปกติจะดูเรามาะค่ะหลวงพ่อแต่ พอเรารู้สึกตัวว่าเราเนี่ยกดจิตเรามากๆเพ่งมากๆจะ<ม>ทอ่องท่องสวดมนต์นะคะ ม, ม า, เ, าเมตามเมตาอาลังคุณนังเมตตาอหลังเมตตานะคะแล้วเราจะรู้สึกดีขึ้นบ้าง<ม>อย่างนี้ใช้ได้นะคะใช้ได้มันก็เป็นสมถะหลวพ่อใช้วิธีนี้นะตอนทำงานงานเครียดงานที่ต้องคิดหนักนะเวลาเราเบรเราไปห้องน้ำอะไรเนี้ยเห็นร่างกายมันเดินไปห้องน้ำ ไปเข้าห้องน้ําเสร็จตอนที่เดินกลับมาเนี่ยมันสบายใจแล้วก็ดูจิตกลับมาได้แล้วมักลางวัลกินข้าวยังมีเวลาเหลืออะไรเงี้ยก็เดินทําเป็นเดินไปวัดข้างๆที่ทํางานทำจริงเดินจงกรมหนูพยายามทําแบบนั้นเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูจะไม่ค่อยมีสติเออมีสติแต่ว่าจะไม่มีอ่าไม่เห็นเกิดดับนะคะมไม่จ <ะ S 1> ําเป็นถ้าเหนื่อยขึ้นมาก็ไม่ต้องดูเกิดดับ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 หนูรบกวนขอสอบถามอีกข้อหนึ่งว่าหนูควรจะทำอะไรเพิ่มเติมอย่าดิ้นรนนะต้ก็ดิ้นแรงนะทำสม่ำเสมอค่อยๆดูค่อยๆรู้ไปเรียนรู้ใจเย็นเนอย่าเรยบร้อนตอนนี้หนูยังอยู่ในทางหนู่ใช่ไหมคะ่ะให้ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะกลับนมัสการค่ะ ครั้งแรกที่ส่งค่ะตื่นเต้นก็คือตอนนี้ทุกวันก็ปฏิบัติอย่างที่หลวงพ่อขอสิบสิบนาทีสิบห้านาทีก็จะไม่ทิ้งนะคะหรือท่านเหนื่อยก็จะเลาะขึ้นเอาระหว่างวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามไม่ทิ้งอย่างที่หลวงพ่อเคยขอไว้ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าคือที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องให้รู้สึกว่าตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวทําให้รู้สึกว่าผิดศีลแล้วก็จิตใจก็โหดหูบางทีก็รู้สึกพอหดหู่ก็ พอถึงตอนเย็นที่ต้องทําก็สึกไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้ก็อยากจะมาข อ, อการบ้าแล้วก็ขอคําแนะนําเพิ่มเติมอะค่ะเวลาไม่มีแรงอย่าตกใจไม่มีแรงรู้ว่าไม่มีแรงไม่จําเป็นต้องมีแรงในขั้นของการเดินปัญญานะรู้เข้าไปตรงๆเลยตอนนี้ไม่มีแรงตอนนี้มัวรู้ว่ามัวใจไม่ชอบใจอยากมีแรงรู้ว่าอยากแค่นี้แหละพอละ มันจะมีแรงกลับมาปุ๊บเลยเราที่ปฏิบัติอยู่ก็คือปฏิบัติต่อไปอย่างนั้นใช่ทำไปก็ของดูคันมันก็แยกแล้วนะดูออก่าก็รู้สึกว่าคิดไม่รู้ว่าตัวเองคิดไปเองไหมแต่ก็จะเห็นว่าบางทีก็จะเห็นอืมันมันแยกออกไปเป็นท่อนบางทีก็เป็นมือบ้างเป็นเป็นความเป็นตัวอะไรสักตัวหนึ่ง<ช>ซึ่งเอ้ยมันก็เป็นแวบเดียวซึ่งไม่แน่ใจว่าสิ่งที่รู้มันเวลาปัญญาเกิดละเกิดแวบเดียวค จำเพิ่มันหายไปก็ก็จะหายไปแบบแล้วแล้วก็คิดได้ว่าที่หลวงพ่อบอกว่าอย่าไปอยากอะไรเงี้ยพอแบบอยากหเห็นอยากหเห็นอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีความอยากเกิดขึ้นอย่างนี้คือให้หนูปฏิบัติแบบนี้ต่อไปใช่ก็คือมาถูกทางแล้วใช่ไหมคะ ถ, ถูกค่ะกล่าวในมัธยมศหลวงพ่อครับเอ่อก็ฟังซีหลวงพ่อมาประมาณสี่ปีแล้วแต่ว่าครั้งนี้ครั้งแรกที่ได้มาส่งให้บ้านครับ ก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วก็มีช่วงเนี้ยได้ปฏิบัติแบบในรูปแบบเยอะนิดนึงครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยปฏิบัติแต่ว่าฟังซีดีแล้วตอนที่มีสติรู้สึกก็จะมีแต่อยู่ตอนอยู่ในรถเพราะว่าซีดีอยู่ในรถ <c oughs> แล้วแล้วก็อตอนออกมาข้างนอกเนี่ยก็ถ้าทำงานก็จะหลงไปทั้งวันแต่ว่าก็จะมีสติบ้างเห็นชัดๆก็คือตอนโกรธ<อ>ครับเมื่อก่อนเนี่ย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 สามก็คือขยับตัวทีนี้มันโผล่ขึ้นมาสามตัวสี่ตัวทีเนี้ยเราจะเอาตัวไหนก็ได้ใช่ไหมครับมันโผล่ทีละตัวนะตัวไหนเด่นก็เอาตัวนั้นแต่ถ้าบางคราวนะมันมายุบย่ำยุบย่เป็นหมดเลยเรามองภาพรวมว่ากําลังกรุงสร้างเราไม่ต้องไปไล่จิกทีละตัวดูไม่ทันเอาหนึ่งตัวที่เราคิดว่าตัวที่เด่นแล้วก็เปัญหาของผมอีกอย่างก็คือเวลาเห็นเนี่ยผมจะเห็นเกิด แต่ว่าทีเนี้ยผมพยายามจะสังเกต <S <S แต่ผมจะไม่เห็นดับเลยไม่เป็นไรต่อไปมันจะเห็นดับมากกว่าดับมันจะไปเด่นอัานใหม่ๆอย่างนี้แหละเพราะว่าสติสมาธิเราไม่พอนะมันหนีไปที่อื่นซะ ก, ก่อนจะเห็นดับมันจะเห็นเกิดแล้วก็ซ้อนเกิดขึ้นมาใหม่มันจะไปเห็นตัวใหม่มตัวใหม่ตัวใหม่มันมาหลอกเรานะออเราไม่ทันดูตัวนี้ดับมีช่องว่างมาขั้นตัวใหม่เกิดเราดูไม่ทัน สติเราเกิดช่วงแรกตัวที่เห็นในนั่นเกิดแต่ตอนที่มันเสื่อมลงไปมันดับไม่เห็นนะเราเห็นอีกตัวหนึงเกิดเลยควรจะเพิ่มสติไม่ไ ม, ไม่มันจะเพิ่มเองอ๋อครับนะนั้นภาวนาเราเจริญปัญญาแยกรูปนามแล้วก็เห็นรูปนามแสดงใจลักษนณะ์เนี่ยช่วงแรกๆ ก, ก็เห็นเนะี่ยมาแล้วก็มีอย่างนู้นมาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะสุดท้ายมันจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นว้ัยแล้วก็ดับไว้แล้วก็ดั บ, ดบมันเป็นเด่นที่ดับ S <S เป็นธรรมชาติอย่าน้วเป็นแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับที่จะเหนะ็นมันดับลงแค่บางเดือนที่ปฏิบัติบางเดือนก็หายไปเลยหลายๆเดือน อ, อยู่บนโลกนะเขาเป็นอย่างนั้นแหละที่ปฏิบัติมาพอใช้ได้ใช้ไ ด, ใชได้ใช้ได้ดีด้วยขานมันแยกแล้ว <S <S รู้สึกไหมแตเนี่ยสมาธิก็ดีนะใจมันตั้งมั่นยู่ได้ นมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าคะ่ะ5ปีมาแล้วที่ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อความศิษยเก่าแต่ว่าเป็นสิษย์ที่ค่อนข้างดื้อ น, นิดนึงนะคะ่ะคือจะไปแสวงหาวิธีการ <laughs> อยากได้สมาธิแบบเข้มข้อมนอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องรู้ว่าตัวเองคงไปไม่ไหวแบบนั้นจ้ ค, คนได้ฌานนะสะสมหลายชาติสะสมมานานาข้ามภพข้าชาติ ถ้าเราไม่ได้สะสมมาทำยากคือโยมเคยได้หลวงพ่อเคยบอกว่าเข้าอัปปนาสมาธิโดยบังเอิญเจค<ม>ครั้งหนึ่งแล้วมันก็เลยคงเกิดกิเลสอยากจะไปฝึกให้<ม>ให้ให้ดีอย่างนั้นนะเจ้าค<ม>่ะ<ม>แต่ก็คิดว่าไม่เอาดีกว่าค่ะคงจะเนิ่งช่เสียเวลานะาเสียเวลานานคราว น, นี้โยมวันนี้รู้สึกว่าจิตจะตั้งมั่นเจ้าค่ะหลวงพ่อแต่ยังไม่ค่อยเป็นกลางเจ้าค่ะใช่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 วิธีที่ที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าผ่านทางหลวงพ่อไปปฏิบัติมันรู้สึกสงสารเข า, มาไม่<ๆ>สงส า, <ๆ>สารก็ได้นะแจกซีดีให้เขาก็ได้เขาไม่ฟังเราก็อุเบกขาคนสมัยพุทธกาลยังไม่ใช่ไปฟังพระพุทธเจ้าทุกคนเลยพวกที่ไปฟังพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ได้บรรลุมากผลทุกคนเทวทัตเขาฟังพระพุทธเจ้านะต้องอุเบกขาหนะ้า แล้วก็รู้สึกว่าตัวเอง เ, อเป็นคนที่ค่อนข้างมีวินัยในการปฏิบัติเจ้าค่ะแล้วก็รู้สึกว่าวันได้ฟังหลวงพ่อพูดอยู่คำานึงรู้สึกซึ้งใจว่าในแต่ละวันที่เราเสียเวลาไปเราไม่ได้เสียเฉพาะเวลาแต่ว่าเราเสียชีวิตของเราไปด้วยมันซาบซึ้งในคำนี้มากๆากเจ้าค่ะต่อไปมีไหมหมวดเนี่ยขอญาณที่หนึ่งโย ม, มอขอคำแนะนำเพิ่มเติมหลวงพ่อเจ้าค่ะ ใจเย็นๆนะดูดูไปเรืร่อยๆไม่เอาอะไรปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละไม่ได้ปฏิบัติเอาอะไรนะวางใจอย่างนี้ในชะ่สบายกราบธรรสการเจ้าค่ะกราบธรรมสการหลวงพ่อคะ่ะเออก้าเดินก่อนดูทรงกันบ้านหลวงพ่อนะคะ บอกว่าหนูเห็นความทุกข์ที่หมุนวนอยู่กลางอก mm hmm. แล้วก็หลวงพ่อบอกว่าระวังจะดูเคร่งเครียดเกินไปจากนั้นหนูก็ปฏิบัติทุกวันในรูปแบบฟังซีดีแล้วก็สวมดมนต์แล้วก็ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิ10นาทีเดินจงกรมสินาทีทุกวันต่อเนื่องแรกๆจะรู้สึกว่าจิตตัวเองเคร่งเครียดเพราะว่าจิตเราเข้าไปเกาะอยู่กับสิ่งที่หมุนวนตรงนี้ที่บีบเค้นตลอดเวลา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 อันนี้อันนี้หนูไม่ได้หนีทุกข์ใช่ไหมคะไม่ได้หนีเราไม่ได้จงใจแยกมันเหมือนมันมันอยู่ห่างห่างใช่การทุกข์มันอยู่าทุกข์มันมีอยู่นะแต่มันมาไม่ถึงใจค่ะทีนี้พอปฏิบัติต่อเนื่องมาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีความบีบคั้นในร่างกายเป็นในใจเป็นระยะๆตลอดเวลาทั <th áng S 1> ง้งวันทีนี้ตรงนี้หนูเอาบัญัตวิหารธรรมได้ไหมคะเพราะว่าพอมันบีบลงไปเนี่ยเราจะรู้สึกตัวขึ้นมาเราก็คลาย แล้วก็บีแล้วก็คลายได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่ชอบกับไม่ชอบมันมคือเราจะแค่รู้สึกว่าเราผ่อนคลายแต่ว่าถ้าผ่อนคลายแล้วพอใจก็ต้องรู้นะเดี๋ยวไปติดสุขมันมีบางทีมันมีเจือพอใจอนะ ถ, ถ้ามันจิตพอใจให้มาให้รู้ทันเพื่อเดี๋ยวติดทีนี้พอหลังจากนั้นมาอีกเนี่ยมีกรัลรยาณมิตรแนะนานนว่าอย่างนั้นเดินไหว้พระสวดมนต์ แต่เดินจงกรมอย่างเดียวเพราะว่านั่งสมาธิแล้วรู้สึกแช่นะะพอเริ่มเดินจงกรมอย่างเดียวในหนึ่งเดือนมานี้ปรากฏว่าจ<ม>ิตเนี่ยตื่นเดี๋ยวนี้คือเวลาหลับนะฮะพอพอถึงพอแล้วเนี่ยจิตจะตื่นเหมือนเป<ม>ิดไฟขึ้นมาทีนี้ตอนนี้เราจะรู้เรื่องหมดเลยว่าเราฝันอะไรแล้วเราคิดอะไรเพราะหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างวันเนี่ยค่ะความที่รู้สึกตัวเนี่ยมันจะบีบว่าบีบแล้วก็คลายเนี่ย มันจะเห็นความรู้สึกมันไม่ได้เกิดดับมค่ะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเกิดแล้วหยุดเกิดแล้วหยุด อ, อย่างนี้นี่คือมองเป็นวิปัสนาแล้วไหคะไ ด, มะไดะ้มันอยู่ที่ภาษาเท่านั้นแหละมเกิดแล้วหยุดมันก็คือเกิดแล้วดับนั่นแหละค่ะถ้าอย่างนั้นขอคําแนะนําค่ะําถูกแล้วล่ะทาได้ดีแล้วล่ะไปดูต่อแต่ถ้าใจพอใจตอนที่คลายให้รู้ทันนะเดี๋ยวติดค่ะ ถ้ารู้ทันว่าพอใจเนี่ยจะไม่ติดค่ะก็ปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใชะ่ขอบคุณค่ะใช้ตรงนี้เป็นเครื่องอยู่นะใร น, นี้แสดงว่าเราเจริญอะไรเนระียกว่าเราเจริญจิตตานุปัสสนะเน จ, ตตนจริญจิตตานุปัสสนาชัดเจนไหมที่มันหมนหุนขึ้นมามันก็คือความฟุ้งของจิตเป็นความฟุงม้งขึ้นมาแล้วก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปคือแต่ก่อนจะมีความรู้สึก พอใจแล้วนึกว่าตัวเองเก่งที่ตัวเองเห็นตัวนี้ค่ะแต่พอหลังจากมาตั้งนั้นมาเนี่ยก็จะมีทั้งว่าทุกข์พระตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้คือห่างกับตัวนี้ค่ะต่อไ ป, ะไปจะเห็นนะนนในโลกนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์ค่ะมีแต่ความทุกข์อย่างเดียดวค่ะโดยอย่างนั้นค่ะภาวนาไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมหรอกแต่เห็นทุกข์แต่ไม่รู้สึกว่ามันทุกข์ใช่ไหมค่ะความทุกข์มีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของใช่ค่ะการกระทํามีอยู่นะก็ไม่มีผู้กระทํา ขันมีอยู่ก็ไม่มีเจ้าของอีกแต่นี้ยังเห็นเป็นตัวเองอยู่ตอลอดเวลาออค่ะถ้าฝึกไปได้เดี๋ยววันนึ่งก็รู้ไม่มีเจ้าของหรอกขอบคุณค่ะอาวนายอย่างนี้ถูกใจและเดี๋ยวจะเรียนเชิญให้ทุกท่านนะคะได้กล่าวคาถวายทานโดยได้ตั้งจิตเสมือนกับได้ถวายด้วยตัวเอ ง, เองนะคะนนะข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย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 พอสมควรแก่เวลาและหลวงพ่อไปก่อนนะคงไม่ต้องให้พรนะมันเป็นพิธีกรรมความดีของเราเป็นพรของเราอยู่แล้วละ ว, วันนี้เราก็ได้ทำทานได้ถือศีลได้ฟังธรรมเจริญปัญญาเอาสิ่งที่หลวงพ่อให้ไปเป็นต้นทุนใส่ความเพียรของเราเข้าไปเราจะได้พ้นทุกข์ เขากับขอบพระคุณค่ะ